Thank you. นิ้วป้องตัวป้๊มไม่ซ้อมซ้อนิ้วชี้ชูช่อรู้งอไงนิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชายนิ้วนางงามละไม้กุลสตรี นิ้วก่อยน้อยกว่าแต่น่ารักรู้จักพระพระไม่พัะนี้นิ้วเธอต่างกันนั่นแหละดีสามาคีต่างกันนั่นแหละ นิ้วโป้งตัวป้๊มไม่ซ้มซ่อนิ้วชี้ชูช่อรู้งอไงนิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชายนิ้วนางามละไม้คุณสตรีนิ้วก่อยน้อยกว่าแต่น่ารัก รูจักกราบพระไม่พละนี้นิ้วทั้งห้าต่างกันนั้นและดีสมคธต่างกันนั้นและงด